นะรู้เลยว่าถ้าไม่ทำเสื่อมอย่างไรถ้าทำแล้วมีคุณานิสงคุณานิสงเนี่ยแปลว่าคุณบวกอ น, นิสงคุณที่เกิดจากการกระทำมีอะไรบ้างผลอ น, นิสง์แปลว่ากำไรกำไรที่เกิดจากการลงทุนทําบุญครั้งนี้คืออะไรเพราะนั้นเาผู้มีปัญญาทั้งหลายเนี่ยเขามองว่าการทำบุญก็คือการลงทุนอีกชนิดหนึ่งนั่นเองอนะการลงทุนครั้งนี้ควรจะมีกาไรเท่าไหร่ใช่ถ้าทำกเดาาน็นฉันกาไรเท่าไหร่ ทำกับมนุษย์มีกําไรเท่าไหร่ทํากับคนมีศีลเป็นต้นมีกําไรเท่าไหรเขาก็คำนวณกําไรออกมาได้แล้วเนี่ยนะว่าควรจะลงกับบุคคลเช่นใดที่ใดเมื่อไหรอย่างไรเป็นต้นเนี่ยนะพระมหาบุรุษนั้นนะคันคิดอย่างนี้แล้วก็ถอดรองเท้าแต่ไกลเลยรีบเข้าไปไหว้พระประเจกับผู้แเจ้ากล่าวว่าพระคุณเจ้าขอรับนิมนต์ไปยังโคนไม้ต้นนี้อันนี้นิมนต์ไปพักร่มไม้ก่อน เพื่ออนุเคราะห์กระผมด้วยเถิดอนุเคราะห์เนี่ยแปลเป็นภาษาไทยว่านิมนต์ท่านไปที่โคนไม้เพื่อปลดให้ผมพ้นจากความทุกข์ด้วยเถอะเออน่าคิดนะว่าช่วยปลดผมให้พ้นจากทุกข์ด้วยหน่อยอนะการที่พระประเจกพุทธเจ้ารับทานของมหาบุรุษหรือพระโพธิสัตว์เนี่ยนะหมายถึงว่าพระปเจกกับพุทธเจ้าช่วยปลดเรื่องทุกข์ของพระโพธิสัตว์ เนื่องจากว่าตัวพระประเจ้าพระพุทธเจ้าเองนั้นสามารถรับอาหารจากบุคคลอื่นก็ได้นั่นนะใช่ไหมคือคื อ, คอท่านสามารถเลือกได้นะะอย่างว่าแผ่นดินชั่วชมพูทวีปพระท่านจะเหาะไปตรงตรงตรงไหนก็ได้แต่ตรงนี้ท่านมาเพื่อที่จะปลดเปลื้องทุกข์ของพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ท่านก็เข้าใจด้วยเพราะฉะนั้นนิมนต์ท่านไปเพื่อช่วยปลดทุกข์ให้ผมด้วยเธอตอนนั้นท่านใครทุกข์กันแน่ถ้าเราดูภายนอก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 เรื่องผมให้พ้นจากความทุกข์ด้วยเถอะเมื่อพระประเจกับพระพุทธเจ้าก็เข้าไปยังต้นไม้ต้นนั้นพระโพธิสัตว์ก็ขนเอาทรายเนี่ยนะมาพูนๆนหน่อยแล้วเอาผ้าห่มเนี่ยปูทับพื้นทรายเพราะว่าคนที่ที่เขาทําบุญเนี่ยนะที่ที่มีปัญญาประกอบเขาจะแต่งก่อนเขาจะไม่ไม่ใช่ว่าเห็นอะไรก็ทาบุญไปแบบกแนั้นนะคือต่างจากให้ทานกับขอทานที่แ่ล้วงกระเป๋าแล้วควักจ่ายไปเลย ได้หยิบยื่นให้ไปเลยแต่นี้เจอนาบุญที่ดีเนี่ยเขาจะไม่เอาบุญแต่อย่างเดียวขณะเดียวกันเขาเอาบุญประเภทคารวะด้วยทําบุญประเภทอ่อนน้อมด้วยคือกฎเกณฑ์ของการของของกรรมเนี่ยเขามีอะไรบ้างนะทำไมบางคนอายุยาวอายุสั้นสุขภาพดีสุขภาพไม่ดีมียศมากมีศักดิ์มากมียศน้อยบางคนเนี่ยมีโพค่ามากมีโภคะน้อยเป็นต้นเนี่ยเกิดจากอะไรใช่ไหม เกิจดจากอะไรเอาแบบธนางเมริกาก็ได้ง่ายดีทำไมผู้หญิงบางคนเกิดมารูปรูปเลวมากจนจนกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่สองรูปเลวมากแต่รวยกลุมที่สามรูปงามมากแต่จนจนรูปกลุ่มที่สี่อะไรนะสวยด้วยรวยด้วยกลุ่มแรกก่อนจนจนแล้วก็ขี้เรต่างหาก็ขี้โกรธมากแล้วก็ขี้เนียวอีกต่างหาก นะขี้เหนียวก็สปานนั้นนะนะสุดยอดเลยขี้โกรธก็มากยังก็เป็นฟืนเป็นไฟอย่างนั้นนะเขายังไม่ทันว่าอะไรสักหน่อยเนี่ยนะยทางนี้โกรธไปเรียบร้อยแล้วกลุ่มที่สองอะไรนะไม่สว ย, สวยแต่รว ย, ยก็คือขี้โกรธแต่ให้ทานกลุ่มที่สามสว ย, ยก็ไม่โกรธแต่ว่าขี้เหนียวกลุ่มที่สี่เอาทั้งสองอย่างแล้วก็มีอีกข้อหนึ่งก็คือต่ํามสักก็คืออ่อนน้อมกับ ไม่อ่อนน้อมอันนี้พระโพธิสัตว์ท่านก็เห็นเลยท่านก็ปูผ้าห่มปูผ้าห่มไว้บนพื้นทรายนะเมื่อพระปัจเจ ก, กับพุทธเจ้านั่งท่านก็กราบไหวอันนี้ก็คือเหตุให้เกิดในตระกูลสูงเอาน้ํามันเนี่ยนะเอาน้ํามันที่กรอเออขออภัยเอาน้ําที่กรองเอาไว้แล้วล้างเท้าของพระปัจเจ ก, กับพุทธเจ้าเอาน้ํามันเนี่ยหอมเนี่ยทาเพราะว่าเอา่อเหยียบพื้นทรายที่ร้อนระอุเนี่ยถ้าทาน้ํามันเนี่ยนะ มันจะทําให้ไม่อะไรนะไม่งั้นมันจะลอกเลยนะเนื้อระหว่างเนื้อกับผิวหนังมันจะลอกหลุดจากกันเลยแต่นี้ถ้าทา น, น้ํามันก็ทําให้ไม่ไม่ช้าไม่อะไรเป็นต้นนะงั้นการทา น, น้ํามันก็เป็นการช่วยสมัยใหม่เขาเปลี่ยนเป็นอะไรเขาเรียกอะไรนะครีมเป็นต้นนะก็เป็นอะไรนะเป็นคล้ายๆกลุ่มน้ํามันเรียกใช้คําว่าโลชั่นนะนะ่นนะการน้ํามันนั่นแหละคือโลชั่นนะั่นะเสร็จแล้วก็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 ลักษณะอันหนึ่งของกรุณาเนี่ยคือบอว่าเบียดเบียนผู้มีใจกรุณาก็ได้เบอกว่าเพราะกรุณาเป็นปัจจัยนี่แหละเนี่ยนะเดือดตัวเองเนี่ยเดือดร้อนเหมือนกันเถอะเพราะว่ายังยังสาธุชนหรือยังคนดีให้เดือดร้อนเนี่ยนะเพราะกรุณาอันที่จริงเนี่ยพระโพธิสัตว์ถ้าัาแม้กระทั่งพระโพธิสัตว์ของเราเนี่ยนะพระพุทธเจ้าเนี่ยที่ท่านมาทนทุกข์อยู่เสียสงไขแสนกับก็เพรา ะ, ะกรุณานั่นแหละทาให้ท่าน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 ถ้าถ้าเราไม่ได้สั่งสมบูรณ์มาเนี่ยเราก็บรรทุกอะไรบรรทุกอาวุธไปเพื่อไปอะไรแต่เขาบอกว่าแหมอ้างดีนะไปปลดเปลื้องให้เขาพ้นทุกข์มันอาระเบิดไปใส่บ้านเขาบอกว่าช่วยเขาให้พ้นทุกข์กม่คือคือมันก็จะวิปริตแบบนั้นก็จะเข้าใจผิดพลาดขนาดนั้นไปฆ่าเขาบอกว่าช่วยให้เขาสบายนะไปฆ่าให้เขาตายบอกส่งเขาไปสวรรค์ว่าพไปนั้นเพื่อที่ที่ถ้าหากว่าไม่มีศาสนาไม่มีคําสอนเนี่ยนะ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 เทวดาช่วยด้วยเทวดาช่วยด้วยนะก็แล้วแต่ใครนับถืออะไรก็รอ้องอ้อนวอนพระโพธิสัตว์ก็พาคนรับใช้ของตัวเองคนหนึ่งไปแล้วก็อาบน้ำเอาน้ำมันเนี่ยทาตัวนี่นะเอาน้ามันเนี่ยทาตัวเพราะอะไรมคือการทาน้ำมันก่อนลงน้ำเนี่ยนะเป็นความฉลาดอย่างหนึ่งนะเป็นประโยคะอย่างดีอย่างหนึ่งเหมือนกันเสร็จแล้วก็บริโภคน้ำตาลกรวด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 ไม่ใช่อะไรที่ไหนจะมาตีหรอกรเศษไม้เศษอะไรนะั่นแหละมาตีก่อนนั่นก็โดดไปให้ไกลรัศมีของเรือที่สุดเท่าที่จะทำได้ก็พยายามว่ายข้ามมหาสมุทรมหาชนที่เหลือในในะพวกที่อยู่เกาะเรือก็ตายเฝ้าเรืออยู่นั่นแหละเป็นผีเฝ้าทะเลเนี่ยนะเขาเรียกอะไรผีทะเลด้วยเอาผีเฝ้าทะเลนะก็ะเรียกว่าผีทะเล แล้วก็จุติเรียบร้อยแล้วปฏิสนธิที่ไหนดีนอ้อยน้อยนักที่จะไปดีนะที่ตายลักษณะนั้นด้วยจิตใจที่ก็แล้วแต่นะถ้าผู้ที่มีมีบุญนึกถึงบุญนึกถึงอะไรเป็นต้นเนี่ยก็พอจะไปดีได้บ้างแต่ที่แน่แว่าทําไมปลาในทะเลมันมากเหลือเกินไปไหนกันหมดเนหะ็นไหมพระโพธิสัตว์ก็ข้ามน้ํานั้นอยู่เจ็ดวันไหวข้ามน้ําอยู่เจ็ดวัน ถ้าหากว่าคิดให้ดีๆนะถ้าคนที่ไม่มีไม่มีอัธยาศัยในเรื่องบุญไม่มั่นคงในเรื่องบุญเนี่ยนะบอกว่าอะไรกันฉันให้ทานตั้งโรงทานเนี่ยนะให้ทานวันละห 0,000 วันละหกแ 0,000 อยู่เป็นบีบนี่เพิ่งผ่านมาก็ยังทําบุญกับพระปัจเจกพระพุทธเจ้ามายกหยกอะไรจะเลวร้ายขนาดนี้ถึงเรือมาแตกหรือบุญมันไม่มีผลกันแน่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 ไปเนี่ใจของท่านก็ไม่เปลี่ยนไปจากบุญเพราะฉะนั้นพระโพธิสัตว์ก็เอาน้ําเค็มบ้วนปากรักษาอุโบสถไหว้าาคามอยู่เจ็ดวันนะเนี่ยจริงๆเนี่ยแสดงว่ากรรมที่ที่ทำให้เรือแตกพระโพธิสัตว์เนะี่ยถือว่ากรรมหนักมากเลยนะเพราะอะไรขนาดเพิ่งทําบุญกับพระปะเจกมาเนี่ยนะปกติบุญนี่จะให้ผลภายในเจดวันปกติแล้วจะให้ผลภายในเจดวัน แต่นี้ลงมาสู่ทะเลวันที่เจ็ดเรือแตกแล้วก็ว่ายอยู่อีกเจวันเนี่ยนะก็สิบ้าวันผ่านไปใช่ไหแสดงว่ากรรมนี่หนักมากเลยนะถ้าไม่ทำบุญกับพระประเจกอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยนะแสดงว่ากรรมที่มาเล่นงานตามเบียดเบียนนี่หนักนาสาหัสเพราะฉะนั้น ใ, นใครที่เวลาทำบุญทำกุศลเยอะๆถูกด่าบ้างถูกตำหนิถูกอะไรทรัพย์สินเสียหายก็อย่า อย่าเอาสิ่งเหล่านี้ไปปนกับบุญเพราะเราก็ไม่ได้เคยทำบุญมาตลอดที่ไหนและจะเอาผลบาปไปเก็บไว้ไหนใช่ไหบางคนก็ชอบโยงยิ่งโยงแลยิ่งยุ่งเลยคนนี้แต่นี้ท่านก็ไม่เปลี่ยนไปจากบุญคือแยกแยะในความเป็นกุศลและอกุศลออกแยกแยะผลแห่งบุญแยกแยะผลแห่งบาปออกว่าอะไรเป็นผลบุญอะไรเป็นผลบาปก็ไม่เอามาคละเคลา้าปะปนกันไปหมดเนี่ยนะ ก็ยังมีจิตใจไม่ทิ้งในคุณงามความดีสมท า, านอุโบสถต่อไปเนี่ยนะก็สมท า, านอุโบสถอัชเมอุโปสโธวันนี้เป็นบรรอุโบสถของเราข้าพเจ้าขอสมท า, านอุโบสถองค์ที่หนึ่งคือคืออะไรก็ก็กล่าวไปเนี่ยนะอั น, ะนะก็สมท า, านอุโบสถครั้งนั้นนางเทพพธิดามณีเมฆคลานะ่นนะ ที่เท้าจตุโลกบาลคือเท้ามหาราชทั้งสี่ตั้งเอาไว้คอยดูแลบุรุษผู้วิเศษเช่นนีค้คือเขามีเทวดาที่ดูแลผู้ที่ที่ทำบุญเหมือนกันนะที่จริงแล้วก็เราว่าคนดีผีคุ้มครองอ่ะนะก็คือนี่แหละก็เรียกว่าคนดีเทวดาปกปักรักษานั่นแหละมันช่วงนั้นเนี่ยก็เผลอไปคิดดูนะถ้าใครที่บาปจะให้ผลขนาดว่าคนดูแลยังเผลอเลยเขาบอกงั้น ถ้าบาปมันจะให้ผลใ น, นนี้ฉันใดขนาดมีเทวดาที่ปกติคอยรักษาอยู่แล้วนะแต่กรรมที่พระโพธิสัตว์เคยทํามาสงสัยหนักมากอะหนักมากกรรมเหล่านั้นเจนตามเล่นงานเนี่ยนะก็นึกดูนะก็ไปเขย่าเรือคนอื่นแตกไว้แค่ครั้งเดียวแค่นั้นเลยกรรมเหล่านี้เขาบอกว่าบุญหรือบาปก็ตามที่ทำครั้งเดียวไม่ใช่ว่าให้ผลครั้งเดียวให้ผลกี่ครั้งดีกี่กี่ครั้งกี่พบกี่ชาติ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 เรารักษาอุโบสถนะนะคิดดูนะเจ็วันเนี่ยนะจะเอาศีลนี่จะเอาเอาอาหารดีนะเอาศีลเดีเอาหารดีเนาะแมตอนฟังนี่บอกเอาศีลเอาศีลแต่ตอนหิวเนี่ยนะโอ้ศีลจงยกไว้นเนี่ยนะก็ต้องดูว่าขนาดไหนด้วยจ้ะเมื่อใดนาะเราจะรักษาศีลขนาดนี้นะใจห่วงแหนศีลขนาดนี้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 พระเทวทัตหลังจากแกทรงพระไตรปิฎกบ่ายกบอกว่าพระสมะัมมาสัมพุทธเจก็อย่างนั้นอันนแหละนี่ถ้าเราไม่เรียนไม่ท่องไม่จำนะเราจะไปจําได้หรือนี่นะเพราะความภาคเพียนอุสาหะของเราเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้มีบุญคุณอะไรเพราะเราอุตสาหรลำเรียนของเราเองเอนะคนอักตันอยู่ก่อน้อาไปจะคิดแบบนั้นอีกบางคนนี่มันก็เลยทงอีกนะไปหาพอดีมันค่อนข้างยากนะมนุษย์เนี่ยมันหักซ้ายเกินก็หักขวาเลยตกเขาทั้งคู่นั่นแหละ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 ถามหาเหตุของตัวเองนะว่าตัวเองทำบุญอะไรมาตัวเองทำบุญอะไรมาเนี่ยนะเทวดาจึงมามาให้มาต้อนรับมาเชื้อเชิญมาบูชามายกย่องทำบุญอะไรมาเนอะเทวดาจึงได้นับถือบูชาอย่างนี้ น, นะคือเข้าใจไม่ผิดนะนะบทว่ากิสเมคือที่เอ่อนี่เป็นผลแห่งกรรมอะไรที่เราทำเอาไว้แล้วเราจึงได้ที่พึ่งในวันนี้ ในมหาสมุทรที่หาที่พึ่งมิได้ทําบุญอะไรมาเนอจึงมีคนมาช่วยมาเหลือมาเกือ้อมาคูนแบบนี้เนี่ยนะทำบุญอะไรมายอมทําบุญอะไรมาจึงได้ฟังธรรมอย่างเ้ยนะตั้งคำถามแล้วนี่ยนะเทพพรธิดาได้ฟังอย่างนั้นก็คิดว่าพราหมณ์นี้ไม่รู้กุศลกรรมที่ตัวเองทําเอาไว้เพราะเหตุนั้นคงจะถามเราเพื่อจยากจะรู้เราจะบอกกับเขา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 สุธินนางวัตะเมทานังทานที่เราได้ทําเนี่ยเป็นทานที่เราทําไว้ดีแล้วนะ่าปลื้มใจจริงเนาะบุญนี่เนี่ยเวลามันให้ผลนี่มันเป็นอย่างงี้ใช่ไหมปลื้มใจเนี่ยถ้าบาปตามมาให้ผลเนี่จะอะไรจะเกิดขึ้นเสียววูบเลยนะเสียวสันหลังวูบงานนี้ตายแนะ่โอ้จะเอาอะไรเป็นที่พึ่งนะเวลาบาปมันให้ผลเนี่ยนะเสียวหมดแต่เวลาบุญมันให้ผลเนี่ยปลืม้มแหมบุญที่เราทําไว้เนี่ยทําให้ดีแล้วเนี่ยนะ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 ที่ที่เคยอยู่ก็บอกว่าจะกลับบ้านนะเทพธิดาได้ฟังคําของพระโพธิสัตว์ก็มีจิตใจ ย, ยินดีร่าเริงก็เนรมิตเรือสําเร็จด้วยแก้วทุกชนิดนนะเรือนี่ยาวแปดอุสะะโอถือว่าใหญ่มากนะกว้างสี่อุสะะก็ถือว่าเป็นเรือก็เท่ากับเรือบรรทุกเครื่องบิ น, นนะเรือนี้ก็เท่ากับเรือบรรทุกเครื่องบินนั่นแหละเป็นเรือที่กินน้ําลึกไปเป็นอุสะะหนึ่งนะก็คือสรุปว่า ดีไม่ดีจะใหญ่กว่าเรือบรรทุกเครื่องบินโดยซ้ําไปถือว่าเรือใหญ่มากพอเนรมิตรเรือนี้ที่สําเร็จด้วยแก้วอินทนิลนะเป็นเรือที่เต็มไปด้วยเงินและทองนะเป็นเรือเงินเรือทองเนี่ยนะเสาก็เสากระโดงพายและหางเสือบนเรือนี่ก็เต็มไปด้วยเงินและทองแก้วรัตนะ7ประการเสร็จแล้วก็จูงมือพราหมณ์นี่ให้ขึ้นเรือ ก็กกปแปลวงง่าง่ายว่าฉุดมือขึ้นในดั้งอยู่บนเรือแต่เทพพิธิดานั้นมองไม่เห็นคนรับใช้ของพรามอ้าวไหว้น้ําอยู่ด้วยกันสองคนคนหนึ่งมองไม่เห็นเทวดามองไม่เห็นที่จริงเทวดามีตาทิพย์แหละนะแต่ที่มองไม่เห็นคือไม่เห็นบุญพอที่จะช่วยออกมาได้ไม่เหคือคนเนี่ยนะมันจะช่วยใครมันต้องช่วยคนมีบุญเลยไอ้คนไม่ได้ทําบุญมามจะไปช่วยเขายัางไง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 แต่พรามนั้นก็ฉลาดนะสังกพรามนี่ฉลาดก็เลยอุทิศส่วนบุญที่เกิดจากความดีที่ตนทำํำไวแล้วแก่พรามนั้นแกคนรับใช้นั้นเขาก็อนุมโมทนาพระโพธิสัตว์นี่ท่านฉลาดท่านันก็รักลูกน้องอะนะบอกเพื่อนฉันได้ทําบุญมาในวันขึ้นเรือเนี่ยนะได้ทําบุญกับพระประเจกกับพทธเจ้าถวายร่วมถวายรองเทา้าฉันยกส่วนบุญเหล่านี้แบ่งให้แกเธอขอเธอจงอนุโมทนา คนรับใช้ก็บอกสาธุเจ้านายอย่างนั้นอนุโมทนายินดีด้วยนะกับบุญนันเทวดาก็เลยมองเห็นนะมองเห็นว่าเป็นคนมีบุญก็เลยจูงรับมือคนรับใช้นั้นขึ้นเรือก็ให้เรือไปจนถึงเมืองโมลินีนครางนั้นเอาทรัพย์ไปตั้งไว้ที่เรือนของพราหมณ์แล้วก็กลับไปยังที่อยู่ของตัวเองนะเทวดาก็คิดถึงวิมานของตัวเองนะกลับวิมานนะทำบุญสาเร็จแล้วนะ สรุปว่าพระองค์ตรัสว่าเทพพทธิดานั้นปลื้มใจดีใจมีใจเอิบอิ่มเนรมิตรเรือที่สวยงามพาสังกรพรามพร้อมด้วยคนรับใช้ส่งถึงนครเรียบร้อยเนี่ยนะ